เมื่อพระตถ า, าคตแสดงปาฏิหาริย์เรียกว่าเหตุกําจัดมานะเป็นต้นแสดงถึงพุทธานุภาพของพระองค์อย่างนี้แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมสมัยนั้นท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงว่าตอนภิกษุสองห0ื่นรูปภาษารีบุตรไม่ได้ตามมาด้วยเนี่ยนะพระองค์ภาษารีบุตรอยู่แสดงธรรมสงเคราะห์พุทธบริษัทอยู่ที่เมืองราชครึกตอนนั้นภาษารีบุตรยืนอยู่บนภูเขาคิจกูดในเมืองราชครึกเห็นด้วยตาทิพทิพยจักสุ เกิดจิตอัศจรรย์ไม่เคยมีด้วยการเห็นพุทธานุภาพโว้อัศจรรย์ในใจมากก็เกิดความคิดขึ้นว่าเอาละเราจะ ก, กระทำพุทธานุภาพให้ปรากฏแก่สัตว์โลกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็แจ้งเนื้อความนั้นแก่ภิกษุห้ารอยรูปที่เป็นบริวารบริวาณ น, นี้ก็คือผู้ที่แวดล้อมนะริวาณ น, นีก็แปลว่าผู้ที่แวดล้อมอ่ะทันใดนั้นท่านก็ออกจากที่นั้น ไปในทางอากาศด้วยริดพร้อมทั้งบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถวายบังคมด้วยเบญจังกับพดิตนะนะไปถึงก็พากันกราบกราบสามกราบเสร็จก็ประคองอัญเชลีเป็นของเราเนี่ยว่ายอยู่ที่อกใช่ไหมฮเนี่ยว่าอยู่ท่วมหัวว่าแบบนี้เลยสมัยใหม่เขาเอาว่าวยแบบนี้เปรตว่ายปรนมาณแต่ว่าสมัยก่อนเขาว่ายท่วมหัวจริงๆริงนั่นเอเรียกว่าวยกมือประคองอัญเชลีไว้ท่วมศีรษะนะ กราบทูลถามถึงมหาอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่และการบาเพ็ญบารมีของพระตถ า, าคตเนไเขาไปถึงเนี่ยผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายก็อย่างว่าผู้มีปัญญาเขาเห็นผลเกิดขึ้นเนี่ยเขามองไปที่ไหนเขามองไปที่เหตุ น, นะเหตุเนี่ยพระองค์ทำยังไงแล้วทำไมจึงทำเหตุอันนั้นได้ก็แบ่งเป็นสามกลุ่มนะเห็นผลที่มีอยู่สาวไปหาเหตุ แล้วท่านคิดอะไรจึงทําเหตุอันนั้นได้มองไปสามกลุ่ ม, มนะตัวแรกก็อภินิหารก็ลักษณะของโครงการอภินิหารลักษณะโครงการบําเพ็ญบารมีก็เหมือนกับวิธีการกระทําการสร้างเหตุทั้งหมดนะปัจยุปบานก็คือผลทั้งหลายก็คือความเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพที่เป็นอจินไตยพระพุทธเจ้าก็ทําท่านพระสารีบุตรให้เป็นกายสัก ข, ขีคือเป็นพยับเป็นพยานเป็นพยานเนี่ย พระองค์ก็แสดงพุทธานุภาพของพระองค์แก่พวกเทวดาและมนุษย์และพรหมในหมื่นจักรวาลและพระองค์ก็แสดงคมภีพุทธวงศ์เนี่ยนะตอนแรกเนี่ยคำว่าอภินิหารการบำเพ็ญบารมีว่าพระองค์เนี่ยตั้งอภินิหารตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างไรพระองค์ทรงสมาทานในการประพฤติบารมีอย่างไรดังที่ยกข้อความในพุทธวงศ์ว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิฉลาดในฌาน นะหรือสมาธิฌานเนี่ยนะบรรลุบารมีด้วยปัญญาทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกคือผู้นําแห่งสัตว์โลกว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าคือพระองค์ผู้มีปัญญาแกล้วกล้าผู้สูงสุดกว่านราชนอภิญญาหารการตั้งความปรารถนาหรือโครงการของพระองค์เนี่ยเป็นเช่นไรบ้างนั้นโครงการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์วางไว้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญา ในการไรที่พระองค์ปรารถนาความตรัสรู้พระองค์ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าอันสูงสุดตั้งแต่เมื่อใด พระองค์ให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะก็คือทานศีลเนคคัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาของพระองค์ให้เป็นอย่างไรพระองค์ให้ทานอย่างไรรักษาศีลอย่างไรออกเนคคัมมะอย่างไรจเจริญปัญญาอย่างไรมีความเพียรอย่างไรทนอดทนขนาดไหนมีสัจจะเพียงใดใจตั้งมั่นขนาดไหนเมตานำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างไรแล้วก็พระองค์มีใจเป็นอุเบกขาอย่างไร ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงปัญญาผู้เป็นนายกแห่งสัตว์โลกบารมีสิบที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วเป็นอย่างไรอุปปารมีทั้งสิบปรมัธปารามีทั้งสิบของพระองค์นี้เป็นอย่างไรพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงไพเราะเนี่ยนะสุรเสียงของพระองค์ไพเราะเนี่ยนะมีสำเนียงดุดนกกระเวกข้าพระองค์เนี่ยเมื่อจะยังใจให้เยือกเย็นยางมนุษย์พร้อมด้วยเทวดาให้ร่าเริง ต้องการทำใจตัวเองให้เย็นให้เทวดาและมนุษย์ร่าเริงจึงทูลถามขอพระองค์พยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะก็ก็คือถามถึงว่าพระองค์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่พระองค์บำเพ็ญบารมีทั้ง10อุป ป, รปารมี10ปรมามัตถบารมีทั้ง10ได้อย่างไรขอให้พระองค์เนี่ย ทรงแสดงให้ใจของข้าพระ อ, องค์เยือกเย็ยนด้วยพระพุทธคุณด้วยเถอะยังเทวดาและมนุษย์ให้ร่าเริงด้วยพระพุทธคุณด้วยเถอะพระ อ, องค์ก็แสดงคำภีพุทธวงศ์นะนะอยากจะดูก็ไปอ่านเล่มเจ็สากันแล้วกันนี่เล่มเจบสแล้วข้ามมาแล้วท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรทรงญาน น, นะนะคือหลังจากที่พระ อ, องค์แสดงพระพุทธวงศ์จบท่านก็ทรงยานเจริญพุทธานุสตินะนะเจริญพุทธคุณเป็นอารมณ์ ก็คือเจริญพุทธานุสติว่าโอ้การถึงพร้อมด้วยเหตุเหตุคืออะไรเหตุคือการตั้งเหตุคือการบำเพ็ญบารมีการถึงพร้อมด้วยผลคือความเป็นพระพุทธเจ้าการสำเร็จแห่งอภินิหารคือการตั้งความปรารถนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ตลอดการเพียงนี้โอ้ยนานจริงๆเสียสงไข่แสนกับพระองค์กระทาสิ่งที่คนทาได้ยาก บอกว่าคนอย่าว่าทำเลยแม้แต่ฟังและใจก็ไม่ปกติโยมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยแค่จะคิดนี่ก็ตกใจแล้วเพราะว่างั้นไม่ต้องไปทำอะไรเราแค่คิดก็ตกใจแล้วว่างั้นนี่เป็นผลอันสมควรแก่การสะสมโพธิสมภารโพธิสัมภาระนะสัมภาระก็คือการประชุมบุญบารมีกว่าจะได้ตรัสรู้ว่าเป็นวิธีอย่างนี้คือ ความเป็นพระสัพพัญยูแล้วเนี่ยนะหมายความว่าบำเพ็ญบุญกุศลกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าถึงความเป็นสัพพัญยูก็เป็นผู้ชำนาญในกําลังทั้งหลายพระองค์นี่มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้เนี่ยนะดูว่าพุทธานุภาพของพองค์จะช่วยเราสําเร็จหรือเปล่าตอนนี้พระองค์ช่วยเราหรือว่าเราช่วยพระองค์กันเนี่ยหรือว่าเราช่วยเราให้เข้าถึงพระองค์ น, นะก็ช่วยตัวเองเพื่อจะได้มีศรัทธาที่มั่นคงใน พระองค์เนี่ยนะว่าการทําบุญการเจริญกุศลเนี่ยนะเ ว, เวลาทําบุญเจริญกุศลเนี่ยถ้าหากว่าเราจะเจริญเมตตาให้กับตัวเองบ้างในการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะขอให้ได้ศึกษาให้เข้าใจในคุณของพระองค์เมื่อมีความเข้าใจในคุณของพระองค์ขอให้ศรัทธาทั้งหลายเพิ่มยิ่งขึ้นวันนี้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเท่านี้พรุ่งนี้ให้มีศรัทธามากกว่านี้ให้เพิ่มศรัทธาอย่างนี้มั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้น จนถึงวันไหนจนถึงอาจจะละศรัทธาจนถึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่วันไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าบอกว่าแผ่นธาตุดินนะยังเปลี่ยนได้แต่ศรัทธาของอริยสาวกเปลี่ยนไม่ได้น้ำไฟลมเปลี่ยนได้แปรสภาพได้แต่ว่าศรัทธาของพระอริยสาวกไม่แปรสภาพไม่ละจากการนับถือพระพุทธเจ้าแล้ว พรรนเราก็เคยใครอวยพรให้ตัวเองเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าขนาดไหนเนาเนี่ยนะใครเคยตั้งความปรารถนาแบบนี้บ่อยๆช่วยยกมือให้ดูหน่อยนะจะได้อนุโมทนาเนี่ยนะยกมือนะไม่ใช่เกาหัวสาธุนะก็ขอให้ศรัทธาเหล่านั้นเจริญเพิ่มขึ้นเถอะวันนี้มีศรัทธาเท่านี้พรุ่งนี้ก็ขอให้มีศรัทธามากกว่านี้เขามีบอกบวกลบคูณหาเออบวกลบคูณกับหารของเรานี่เอาประเภทไหนดี มีศรัทธาแบบบวกก็คือเพิ่มขึ้นหนึ่งบวกหนึ่งอ่ะนะก็ว่าวันนี้เท่านี้พรุ่งนี้ก็โตกว่าวันนี้อีกเท่าหนึง่งปรนนี้ก็เพิ่มอีกเป็นเท่าเท่าท่าเทเท า, ท า, ท า, ทาก็บวกบวกบวบว ก, บวกขึ้นไปอย่างเงี้ยบางพวกศรัทธารบวันนี้ศรัทธาเท่านี้พรุ่งนี้ก็ลบไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะลดลดลดลดล ด, ลดไปเรื่อยกับพวกศรัทธาคูณก็คือเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตรีคูนเจตุทัคูณเพิ่มเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าไปเรื่อยๆกับพวกศรัทธาหารอันนี้ไม่ไหวแล้วนะ หาร น, นี่ไม่ดีมั้งเพราะว่ามันแหมมันลดเร็วกับลบอีกนะหารเนี่ยลดมากกว่าลบยิ่งหารเท่าไหร่ว่ายิ่งแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วทั้งนั้นก็บวกลบคูนหารเอาไหนก็เลือกเอาก็นละกันหรือว่าจะคูณแบบยกกาลังหรือแบบอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะจนกว่าจะเอาแค่ไหนดีจนกว่าว่าอะไรจะเปลี่ยนผมมันจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะแต่ว่าศรัทธาในพระองค์ไม่เปลี่ยนนะผมเปลี่ยนเป็นอะไร ผมร่วงผมหลุดผมอะไรก็ว่าไว้นะแต่สรุปว่าศรัทธานี่ไม่มีเปลี่ยนอะไรจะเปลี่ยนชีวิตจะเปลี่ยนร่างกายจะแตกทำลายจะยังไงก็ช่างเธอขอให้ศรัทธาของเราที่มีในพระพุทธเจ้าไม่เปลี่ยนอรหันต์ก็ปีติเลยนะข้าโบราณเนี่ยเขามายัางชมว่าท่านเก่งมากท่านเจริญพุทธคุณท่านเก่งบอกว่าอรหันต์ตังสารานางขฉ า, ามีข้าพเจ้าขอถึงพระอรหันต์ ตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นสารณะเนี่ยนะสัมมาสัมพุทธังสารนังคัจฉามิขอถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะวิชาจารณะสัมปันนังสารนังคัจฉามิทุกๆบทเนี่ยเขาเอามาสารนังคัจฉามิเลยของเราได้บทเดียวพุทธังสารนังคัจฉามิเนี่ยนะ เออในตั้งกับพุทธคุณเก้าเนี่ยได้อยู่บทเดียวเนี่ยนะเมื่อไรก็พุทธัทงสรารนางังคัจฉามิได้เท่านี้นะเมื่อไรจะพะขวันตังสรารนางังคัจฉามิเนี่ยนะอรหรันตังสรารนางังคัจฉามิเป็นต้นเนี่ยให้แต่ละอย่างแต่ละบทนี้มั่นคงปีติมั่นคงเนี่ยนะก็แต่ละบางคนที่อาดฉุดสวดอะไรนะยอดทัากกันทักปจพิดกอาจจะว่ามาบ้างคล่องปากเขาว่ามันมลขลังนักแรก็เลยว่าไปแต่ว่าแต่ว่าก็ดีนะดีกว่าสวดอย่างอื่นตั้งมากมาย อันใครที่มีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยนะผู้มีพุทธานุภาพมากเช่นนี้เนี่ยโอจะประสบบุญมากเพียงใดเนี่ยนะว่าบุญตัวนั้นเนี่ยเป็นอา่าถ้ามีผู้ถามว่าเราจเจริญพระพุทธคุณเนี่ยเมื่อเราจเจริญ ม, มากๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านดีขึ้นดีขึ้นจเจริญทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมเราจเจริญเอาเอาพระพุทธคุณหรือว่าจเจริญเอาศรัทธาที่มีต่อคุณของพระพุทธเจ้านะเจริญเอาอนะไร พระพุทธเจ้าเมื่อใดพระองค์ก็ตาที่โนผู้คงที่อยู่เสมอแต่สิ่งที่เราควรจะเพิ่มคือศรัทธาทีนี้ศรัทธาถ้าขาดปัญญาประกอบดูนะว่าผู้มีปัญญาเนี่ยนะเขาเจริญตามระลึกพุทธานุสติอย่างไรท่านถ้าท ร, รมเสนาบดีสารีบุตรตามระลึกเจริญพุทธานุสติติดตามถึงธรรมะที่หรือติดตามพระพุทธคุณที่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าที่มีอนุภาพเป็นอจินไตย หมายคาอว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นต้นยกตัวอย่างที่ให้เห็นในตัวอย่างนะว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะอันนี้เรียกว่าธรรมขันธ์หพระพุทธเจ้า น, นี่มีธรรมขันธ์ห้าพระองค์มีหิริโอตปะเรียกว่าโลกปาลธรรมเรียกว่าธรรมที่คุ้มครองโลกพระองค์มีศรัทธามีวิริยะพระองค์มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะ <c oughs> พวกนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะพระองค์มีศีลวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิ พระองค์มีสมถาวิปัสนาพระองค์มีกุศลมูลสาคืออโลภาอโทสะอโมหาพระองค์มีสุจริสาคือกายสุจิริวจีสุจริตมนุสุจริตพระองค์มีสัมมาวิตกคือการตรึกโดยถูกต้องคือเนเขขมมะวิตกอัพยาบาศวิตกอวิหิงสาวิตกพระองค์มีสัญญาที่ไม่มีโทษเนี่ยนะก็คือเนเขขมมะสัญญาเป็นต้นและพระองค์ก็ยังมีท่าสามก็คืออะไรนะี ถ้าสามหมายถึงกุศลธาตุอย่างเดียวเนี่ยนะสติประทานสี่สัมมาประธานสี่สัมมปธานทบาทสีอริยมรรสสี่อริยผลสี่ปฏิสัมพิทาสียานกำหนดกำเนิดสี่อริยวงสี่เวสารัชยานสี่นะพุทธคุณเหล่านี้ถ้าใครอยากจะเรียนละเอียดก็ไปดูตามคัมภีร์ต่าง ประธานนี่ยังค่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรห้าสัมมาส ม, มาธิมีองค์ห้าอินทรีห้าพละห้า 5, นิสริยะธาตุห้าวิมุตตายตนาเหตุแห่งวิมุตห้าวิมุตติปจินธรรมก็คือทำเป็นเครื่องงอกงามเจริญวิมุตห้ามีสารานิยธรรมหกอนุสติหกคารวะหนิสริยะธาตุหสัตตาวิหารธรรมอีกหอนุสติ6นิเพทภ า, าคิยสัญญาหกอภิน ญ, ญาหอาสาธารณัยาณหกเนี่ยนะ โอ้ยแต่ชื่อหัวข้อนี่ก็ยังยากแล้วนะจะกล่าวไปใายถึงเอาแต่ละอย่างมาแจกแจงอีกกันนะเขาบอกว่าพอเอามาอยู่อย่างนี้นะเรารู้ว่าเรานี่เข่าจริงๆเลยนะเจริญพุทธานุสติอะไรไม่ได้เลยหรือได้กับพีนิดเดียวจริงๆพอมาดูตามนี้แล้วนะโอ๊ยเราห่างภาษาริบุตรนี่ห่างชินทติเรียกว่าสมควรแล้วน 2,500 นกว่าปีเดนะมันเหมาะแลวมันห่างขนาดนี้ หางตั้งสองพันกว่าปีเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเป็นสัตว์สนวนจีนห่างสามสิลีนี่ก็ถือว่าฉลาดต่างกันเยอะเนี่ยนะหางตั้ง30ิบลีก็หลาย10กิโลใช่ไหมหลายร้อยกิโลแต่นี่มันหางเป็นพันพันปีอันนั้นมันห่างขนาดนี้เนี่ยนะตังขนาดนี้ก็ยังพองได้ก็แล้วกันเอาทีห่างขนาดนี้ก็ยังพองได้นะแล้วก็พระองค์ก็ยังมีสัมมตตะคืออริยมรรตแมีการก้าวล่วงโลกธ ร, รรมแปดมีอารัมภวัตถุ8ด อันเหตุแห่งความเพียร8อัคคณะเทศนาอัคคณะตัวนี้เขาไม่ได้แปลว่าสายฟ้าแลบนะนี้แปลไปเรื่อยอัคคณะเทศนาก็คือการเทศนาที่ว่าคณ ะ, ะมิใช่สมัยในการประพฤติพรหมจรรย์8เนี่ยมหาปริสวิตตกแปดอภิพาญตนะ8เนี่ยนะการแสดงเกี่ยวกับเรื่องอภิาญตนะ8 อ, ะอภิพาญตนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องฌานนั่นเองบีโมก8 อันนเรียกว่าทำหมวด8ส่วนทำหมวด9คุณธรรมเหล่านั้นเช่นทำเป็นมูลแห่งโยนิสโสมนัสิการ9องค์แห่งธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอันบริสุทธิ์9กสัตววาด9กสัตววาดนี่ก็คือคําสอนเรื่องสัตวว่าดทั้ง9กพระองค์มีอาคาตะปฏิวินัย9้าปัญญาเก้านานัตตะเทศนาก้าอนุปภาพวิหารธรรม9ส่วนหมวด10ก็คือนาถะการณธรรมสิกสิณายตนาสิบ อุสรกรรมบท10สัมมัตตะคือความถูกต้อง10ประการอริยาวาสการอยู่ของพาริยะอีก10อเศขธรรม10รัตรน10บกำลังของพระตถาคตหรือทศพลยานอีก10ออนิสงฆ์เมตตา11อาการของธรรมจักร12ทุดง13พุทธยาน14พุทธยาน14ก็คือยานในอริยาาสัจสียานในปฏิสัมพิธา4ีแล้วก็อาสาธานญาณหเนี่ยนะวิมุตติปริ ป จ, จินธรรม15ก็คือทำเป็นเครื่องบ่งมมุตสิบาอนาปานสติ16อปรัมปริยธรรม16พุทธธรรม18ปัจเวคขณะยาน19ญายานวัตถุยานวัตถุก็คืออะไรบ้างวัตถุเป็นที่เกิดของยานเนี่ยนะเช่นชารามรณะชารามรณะสมุทัยชารามรณะนิโรธชารามรณะนิโรธคามินีปฏิปทานนี้เป็นคูณ11อ่ะนะอริยสัจสคูณ11ก็เท่ากับส4 อุทยพยัญญาห้าสิบเนี่ยนะพูดถึงความเกิดและความดับโดยอาการห้าิบกุศลธรรมเกินห้สิบคือในจิตหนึ่งดวงเนี่ยมีกุศลธรรมเกินกว่าห้าสิบเหอนกันยานวัตถุเจ็ดสิบเจ็ดก็คือยามที่อย่างรู้เช่นชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรชรามรณะนิโรธข า, ามินีปฏิปทาอัสะท่าอาทีนวะแล้วก็นิสรณะเป็นต้นเนี่ยนะก็เจ็ดคูณสิบเอ็ก็เท่ากับ 7% จเป็นต้นมหาวชิรยานอันเป็นจารีตร่วมกับสมาบัตอี 2, 00 4, 000, กสองล้านี่แสนโกฏเนี่ยนะยานเกี่ยวกับเนี่ยที่ใช้สอยประจําวันนะแล้วก็เทศนายานเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมันตะปัฏฐานคือปัฏฐานที่ไม่มีในที่ไม่มีที่สิ้นสุดอันนะัยานที่ค้นคว้าพิจารณาสมันตะปัฏฐานเนี่ยนะสมันตะปัฏฐานนี่หมายาว่าการตั้งไว้โดยรอบเช่นกุสลติกะอะไรนะ ติกะประทานทุกกะประทานติกะติกะทุกกะทุกกะทุกกะติกะติกะทุกทกะอะไรเงี้ยก็แล้วก็กระจายอีกตามมาติกาตามนัยยะทั้งหลายแหล่เนี่ยหาที่สุดไม่ได้แล้วก็พระองค์ก็มีญาณอันประกาศอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดในโลกธาตุอันหาที่สุดไม่ได้สัตว์ท้องสัตว์ทั้งหมดมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ แลวอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหมดเหลนะ่านั้นมีเท่าไหร่สรุปว่าสัตว์หาประมาณไม่ได้เมื่อสัตว์หาประมาณไม่ได้พุทธญาณก็หาประมาณไม่ได้ปัญญาก็หาที่สุดไม่ได้ก็เร<ช>ียกว่าเดี๋ยวข้างหน้าจากล่าวว่าอสงไขยมีสี่เป็นต้นพท่านก็ตรึกในระลิกถึงพระพุทธคุณ ที่ไม่สาธารณะแก่ผู้อื่นยิ่งตรึกไปก็ไม่เห็นที่สุดไม่เห็นประมาณเหมือนอย่างว่าจะขับเครื่องบินชมอากาศเนี่ยนะขับเครื่องบินชมอากาศนี่จ ะ, จะหรือเราเป็นนกเนี่ยบินชมอากาศเนี่ยนะจะไปให้มันสุดอากาศเลยเนี่ยไปไหวไหมนะนกปีกหักแน่ก็บินไปแต่พอถละาลมก็พอนะไม่ต้องหมายถึงขนาดลักษณะว่าแหมไปบินให้มันทั่วอากาศให้มันหมดคงไม่ได้หรอก นี่ก็เหมือนการยิ่งเจริญไตนะพระพุทธคุณก็ไม่เห็นที่สุดแล้วก็ไม่เห็นว่าประมาณเนี่ยว่าแค่ไหนทัเทระเนี่ยนะท่านบอกว่านึกถึงที่สุดหรือประมาณแห่งคุณธรรมของตัวเองก็ยังไม่เห็นคือตัวท่านเองก็คํานวณคุณธรรมตัวเองเนี่ยคำนวณไม่พบว่าท่านมีเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าผู้ที่มั่งคั่งจริงๆเนี่ยนะนับซับตัวเองไม่หวาดไม่ไหวเนี่ยนะก็ขี้เกียดนับมางั้นเถอะมันมีเยอะๆไปหมดนะรู้แต่ว่ามากก็แล้วกันนะ ก็คือแต่ว่าใช่มากพระพุทธคุณมีมากใช่ไหมมากลองว่าสักห้าสิบว่าสักให้ฟังสักชั่วโมงหนึ่งนะได้ไหม เ, เดี๋ยวจะเอาอ่านพุทธานุสติให้ฟังอย่างนั้นนะมากอย่างนี้เลยเนี่ยนะก็บอกว่าพอพอละสองนาทีก็พอนะคนฟังบอกว่าทอเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาพุทธานุสติมาอ่านให้ฟังอย่างนั้นนะแต่ว่าพระพุทธเจา้านี่มีคุณมากไหมก็นั่งดูสินี่ผลงานของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละวนะ่างั้นถ้าพระองค์ไม่บําเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้จะเกิดหรือเป็นต้นเนี่ยนะ คือภาษาบุตรเองเนี่ยนะท่านอาวัชนะท่านตรึกพิจารณาถึงคุณธรรมของตัวเองก็ยังไม่มีที่สุดเนี่ยยังไม่เห็นมาสุดตรงไหนพระเถระจะเห็นประมาณหรือกำหนดพระคุณของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรปัญญาของท่านยังกว้างขวางก็บอกว่าน้ําทะเลยังคํานวณได้แต่ปัญญาภาษาบุตรคานวณไม่ได้ทรายเม็ดทรายทั้งหลายคานวณได้แต่ว่าปัญญาภาษาบุตรคานวณไม่ได้ เพราะฉะนั้นนี้ภาษาเรียทผู้สัต ธ, ธรรมเสนาบดีสาวกนะอย่างเพียงนี้จะกล่าวไปยายถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเจริญพุทธานุสติยังไงก็ไม่ได้เจริญได้เท่าเท่าคุณที่เป็นจริงของพระพุทธเจ้า ค, คือเครียกว่าเจริญได้ทุกแง่ทุกมุมครบถ้วนกระบวนความไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่ก็ได้ตามสมควร จึงอยู่ผู้ที่มีปัญญามากมีปัญญาเฉียบแหลมก็ย่อมศรัทธานในพระพุทธคุณทั้งหลายโดยความเป็นพระพุทธคุณใหญ่ใครมีปัญญามากก็เห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากเนี่ยนะของเราถ้าเจริญพุทธคุณได้ไม่มากก็แสดงว่าพูดแล้วเศร้านะเันสรุปว่าพระเถระเนี่เมื่อเมื่อไม่เห็นประมาณในข้อกำหนดของพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าก็เลยตัดสินใจลงว่าเมื่อคนเช่นเราขนาดเป็นสาวก นะผู้ที่มีสาวกบารมีญาณยังไม่สามารถกำหนดพระพุทธคุณทั้งหลายโดยญาณได้คือคือใครเอาอะไรมาวัดอากาศได้ม้างอาอากาศมันก็ยังวัดไม่ได้ฉันใดจะกล่าวไปยญยถึงคนนอกนี้เกิดว่าฉลาดเท่าภาษาริบุตรยังไม่รู้เลยแล้วคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรน่าอัศาจรรย์ความเป็นพระสัพพัญยูเนี่ยนะสัพพัญยคูคุณคุณคือความรอบรู้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอจินไตยจริงๆ อจินไต่เนี่ยหมายเขาว่าคิดยังไงก็ให้ครบถ้วนกระบวนความก็คําว่าอาจินไต่บางคนก็เลยเลิกมาคิดเลยไม่ต้องมาคิดเราไม่ต้องมาเจริญเราพุทธคุณเป็นอาจินไต่จเจริญยังไงก็จเจริญไม่หมดแต่อันนี้หมายถาว่าไม่มีใครจเจริญได้ครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดหรอกพระพุทธคุณนี้เป็นอาจินไต่คิดไม่จบไม่สิ้นจริงๆไม่มีข้อกําหนดมีอนุภาพมาก และก็พระพุทธคุณเหล่านี้เนี่ยเป็นโครจรแห่งพระพุทธญาณอย่างเดียวเท่านั้นโดยประการทั้งปวงมิได้เป็นโครจรแห่งผู้อื่นคือใครที่จะตรึกพระพุทธคุณได้กว้างขวางที่สุดคนนั้นก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้านะท่านพรามณ์คนหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นใครพระสมณะโคดมเป็นใครถ้าใครรู้จักพระสมณะโคดมอย่างเพียงพอคนนั้นก็ต้องเช่นกับพระสมณะโคดมคือผู้ใดที่จะรู้พระพุทธเจ้าเพียงพอคนนั้นก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้า นะนี่คำพูดของพระอนาคามีนะถ้ายังพูดขนาดนั้นเลยสรุปว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่สา ม, มารถตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณโดยสิ้นเชิงได้อย่างที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้ากล่าวคุณของพระพุทธเจ้าหากว่าท่านกล่าวแต่พระพุทธคุณอย่างอย่างเดียวไม่กล่าวเรื่องอื่นเลยแม้ตลอดกับกับก็สิ้นไปในระหว่างหมดไปก่อนแต่คุณของพระพุทธเจ้า หาหมดสิ้นไม่เราก็ไอความที่เรามันปัญญาน้อยเนี่ยนะนึกไม่ออกว่าท่านจะเจริญยังไงได้เป็นกับกบเนี่ยนะท่านพูดยังไงพระพุทธคุณได้เป็นกับกับของเราว่าพุทธคุณว่าไปไม่กี่นาทีนี่ก็หมดเรี่ยวหมดแรงแรงแห่งปัญญาเนี่ยนะไม่รู้มันหายไปไหนหมดไม่รู้ปัญญาทําท่าตอนแรกก็เหมือนกันเยอะแยะไปหมดอ่ะนะก็เหมือนกับว่าอะไรนะอวดมั่งอวดมีในในทาง นะในทางทรัพย์สินควักมาไม่กี่ทีนี่เหงื่อท่วมเลยนะันใดก็ดีนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะเราก็มีอริยทรัพย์คือปัญญาไม่มากก็เลยเจริญพุทธานุสติได้ไม่ไม่เยอะเนี่ยนะสำหรับภาษาเรียบบทนี่โหเจริญพุทธานุสติมีปีติโสมนัสเป็นกำลังเกิดขึ้นเพราะอะไรผู้ที่รู้คุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเจริญแล้วมีปีติโสมนัสเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรัตนะใช่ห พระพุทธรัตนะอย่างที่รัตนสูตรก็บอกว่ า, อาอยัางกินจิวิตังอิทวาหุรังวาสะเคสวาอย่างรัตนังปณีตังนโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรรมเปะพุเทรัตนังปณีตังนเนี่ยเนี่ยนี่อย่างว่าซับเครื่องปลื้มใจอย่างใดอย่างหนึ่งในโลก น, นี้เนี่ยในโลกนี้ก็คือสมบัติในโลกนี้ทั้งหมดหรือรัตนะในสวรรค์เครื่องปลื้มใจในสุขติโลกสวรรค์จนถึงพรหมโลกทรัพย์และรัตนะเหล่านั้น เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีอันนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะมีอะไรในสังคตะธรรมทั้งหลายที่จะเสมอกับพระพุทธเจ้าเพราะในบรรดาสัตว์สองเทา้าสัตว์สเท้าสัตว์ไม่มีเทา้าจนถึงตลอดอรูปประพบในตลอดจักรวาลทั้งมวลไม่มีผู้ใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธคุณเนี่ยยิ่งใหญ่อย่ า, ยยางนี้ท่านก็เลยคิดวันหน้าอัศจรรย์ธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าคือบารมีเนี่ยมีอนุภาพมากจริงๆ การสร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะท่านสาวไปหาเหตุบารมีทั้งหมดเหล่านี้เป็นเหตุแห่งพระพุทธคุณทั้งหลายเห็นป่านนี้ถ้าท่านบำเพ็ญบารมีไม่มากท่านจะมีคุณธรรมเหล่านี้ได้หรือความเป็นบารมีเนี่ยเป็นความเจริญงอกงามจริงๆบารมีเหล่านี้ที่เจริญงอกงามพระองค์ทามาตั้งแต่ชาติไหนเนอหรือบารมีเหล่านี้ถึงความแก่กล้ายอย่างไร ครั้งน ล, ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งขัดสมาธิสามชั้นก็คือสมาธิเพชรเนี่ยนะนรัตนจงกรมคือพระองค์นี่ก็ประทับนั่งสมาธิประทับนั่งรุ่งโรยเหมือนดวงอาทิตย์อ่อ น, ออนรุ่งเรืองอยู่ณนภะูเขายุค ข, ขันธ์ฉะ น, นั้นถ้าหากว่าใครที่มองดูดวงอาทิตย์ยามเช้าเคยเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ที่บนภูเขาไหม นะจัดจะดูงามรุ่งเรืองแล้วก็แดดมันจะไม่แรงนะีแดดจะไม่แรงถ้าถ้าอยู่ในทําเลคือภูเขาเป็นต้นเนี่ยจะเห็นนะดวงอาทิตย์เนี่ยขึ้นงามมากนะแล้วก็ไ ม, ดดกไม่แดดในเขาไม่แทงตาใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ราบๆเนี่ยบางทีก็คือเห็นเมื่อไรก็แทงตาเลยแต่ถ้าอยู่ที่เขาเนี่ยนะที่กุเตนี่ชมดวงอาทิตย์งามมากอยากจะบอกอย่างนั้นแหละนะสรุปว่าเหมือนดวงอาทิตย์รุ่งเรืองที่อ่อนเหมือน นะยอดเขายุค ข, ขันธ์ถอน่าพระองค์เนี่ยรุ่งเรืองอย่างนั้นจริงๆพระองค์ก็แสดงแก่ภาษาริบบทว่าสาิบบทพุทธกัลกะธรรมคือธรรมที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะได้เจริญงอกงามเราบาเพ็ญเนี่ยจากพบสู่พบอันนะจากการมาพบเป็นต้นเนี่ยนะจากชาติสู่ชาติทำจากพบสู่พบจากชาติสู่ชาติในกับทั้งปวง การทำของเราเนี่ยนะทำพุทธกรกาธรรมธรรมที่เปทาให้เป็นพระพุทธเจ้าเราทำด้วยความเคารพทำอย่างติดต่อกันด้วยการอุปถัมภ์ของความเพียรตั้งแต่สมาทานนับตั้งแต่เราสมาทานประพฤติพุทธกรกาธรรม การกระทําเหล่านั้นไม่เคยท้อถอยมีแต่เพิ่มพูนยิ่งยิ่งเขาเรียกว่าวิเศษภาคยะเนี่ยนะมีแต่เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อจากวันนี้ให้ทานเท่านี้ปริมาณแห่งทานะเจตนาทานะกุศลมีแต่เพิ่มยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะแม้กระทั่งศีลเป็นต้นก็เหมือนกันแต่ในพัฒกับนี้นะสรุปว่าสมมติว่าท่านับตั้งแต่พัทธีปังกรไปต้นมาเนี่ยนะไอ้สี่อสงไขยแสนกับ สีอสงไขย 99,999 กัยบกลับจงยกไว้เอาเฉพาะกลับนี้แหละกลับนี้ที่ผ่านพระพุทธเจ้ามาสมองค์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะพุทธกักะธรรมเหล่านี้เกิดความแก่กล้าในชาตินี้เท่านั้นโดยโดยโอ้อมว่างั้นเะน่เพราะฉะนั้นเพราะเลยแสดงว่าจริยาปีตะกังพุทธาประธานนิยังก็คือจริยาปีดก พุทาประธานก็คือเหตุแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าตรงนี้เขาแปลว่าตํานานก็คือสาเหตุที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะในในเหตุการณ์ในกัปนี้ปกติเนี่ยในหน้าสิบเก้านี่ก็กล่าวถึงคําว่ากัปเนี่ยนะสับว่ากัปนี่มีความหมายสิบเจ็ดในนะกัปเนี่ยคำว่ากัปในพระไตรปิฎกในตรงนี้ยกมาตัวอย่างให้ดูแค่สิบเจ็ดในพันศัพท์ว่ากัปเนี่ยนะเพราะว่า คำว่ากับนี่ใครเวรี่แปลเข้านี่ป่นหัวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีความหมายตั้ง17อย่างเช่นวิตกวิทานปฏิภาคบัญญัติการประม ะ, ะประมายุสมณะโวหารสมันตะภาวะอภิสันฐานะฮะเฉทนวินิโยคะวินยัยกิริยาเลสะอันตรกับตันหาทิฏฐิอสงไขยกับจนถึงมหากับเพราะฉะนั้นคำว่าสีอสงไขยแสนกับอันนี้หมายถึงมหากับแล้วมหากับนี่แค่ไหน มหากรัปนี้แค่ไหนในหน้า21็ย่อหน้าล่างคําว่ามหากรัปเนี่ยนะย่อหน้ากลางว่าตรงนั้นเขาก็ยกตัวอย่างว่าคือผู้ที่เรียบเรียงอัตกถาเนี่ยคาว่ากรับในพระไตรปิฎกมีอยู่กี่แห่งท่านจําได้หมดกรัปปะกัปโปกรัปปังเป็นต้นในพระไตรปิฎกเนี่ยสับว่ากรับกรัปนำคำว่ามีกลับอยู่ในนั้นอ่ะจะกลับนําหน้าหรือกลับตามหลังก็ตามเถอะท่านนึกออกหมดเลยนะท่านก็ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่สิบเจ็ดตัวอย่างก็พอ เรีว่าพอประดับสติปัญญาบารมีแต่คนที่มาอ่านก็จะอ่านให้มันรู้เรื่องเลยปวดหัวซะส่วนใหญ่คือไม่เข้าใจว่าท่านยกศัพท์มาให้ดูประกอบเท่านั้นแหลส่วนในคําว่ามหากรัปเนี่ยก็คือสีอสงไขสี่อสงไขสแสนกรัปเนี่ยนะคะนี่แหละเรียกว่ามหากรัปถามว่ากัปเนี่ยกรัปเนี่ยมีปริมาณที่ควรกําหนดเกี่ยวกับเรื่องกรัปดังต่อไปนี้มาดูเปรียบเทียบกับเรื่องกัปเนี่ยหมายถึงว่า กองเมล็ดพันธุ์ถักกาดเป็นต้นอย่างเดียวก็ไม่สามารถคำนวณได้ว่าคําว่ากาดหนึ่งมีกี่ปีที่กี่ปีกี่ร้อยปีกี่พันปีกี่แสนปี น, นะอย่างที่พระพิกสุรูปหนึ่งถามว่าข้าแต่พระองค์พูเจริญกาดหนึ่งเนี่ยยาวเพียงไรเนาะแหลมหากัดเนี่ยมันยาวแค่ไหนพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนภิกษุกับนี่ยาวมากกําหนดไม่ได้หรอกว่าเท่านี้ปีเท่านั้นปีเท่านี้ร้อยปีพันปีแสนปี พิสุก็ถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์สามารถจะเปรียบเทียบได้หรือไม่พระเจ้าข้าหาข้ออุปมาได้ไหมมีข้ออุปมาให้พอรู้เป็นตัวอย่างบ้างพระองค์ก็ตรัสว่าสามารถอุปมาได้พิกสุทั้งหลายเหมือนอย่างว่ากองเมล็ดผักกาดเมล็ดผักกาดนี่มันใหญ่เท่าไหรเท่าเมล็ดงาไหมเล็กกว่าเมล็ดงานี่นะเล็กกว่าเมล็ดงามันเท่ากับเมล็ดธันพักกากับเมล็ด ผักขมเนี่ยไปพอๆกันมั้งนิดเดียวเองเขาบอกว่ากองเมล็ดพันธุกาศสมมติว่าเมล็ดพันธุกาศเนี่ยยาวสิบหกิโลเมตรหรือยี่สหกกิโลเมตรกว้างสิหกกิโลเมตรสูงสิหกกิโลเมตรกว้างยาวสูงเนี่ยร้อยปีเนี่ยร้อยปีหรือพันปีมีผู้วิเศษเอาเมล็ดพันธุ์พันธกาศออกไปเม็ดหนึ่งร้อยปีเอาออกเม็ดร้อยปีเอออกเม็ด เขาบอกว่าไอ้แมล็ดพันประกาศนี่หมดไปก่อนกลับยังไม่สิ้นเลยพี่สูนทั้งหลายกลับนี่ยาวขนาดนี้แหละกับนี่ยาวมากยาวแค่ไหนก็มาคิดดูแล้วกันว่ากระดูกเท่ากับภูเขาอ่ะกลับหนึ่งนะไม่ได้พูดถึงเนื้อว่าเนื้อจะใหญ่เยอะขนาดไหนเนี่ยนะสงสยัยภูเขาเป็นยี่สิบสามสิลูกนะก็กระดูกอย่างเยอะขนาดนี้แล้วเนื้อเลือดเป็นต้นจะขนาดไห น, น ทัานมหากรท์นี้เนี่ยนะมหากรทเนี่ยท่านบอกว่ามหากรท์เนี่ยคนที่จะเข้าใจคําว่ามหากรท์ต้องเข้าในหนึ่งมหากรท์มีสี่อสงไข่อสงไข่กับนะไม่ใช่อสงไขยแบบอสงไข่อันนี้อสงไข่มีหลายในด้วยกันนะทรบว่าอสงไข่นี่แปลว่านับไม่ได้เนี่ยมีอยู่หลายในยะด้วยกันตรงนี้ก็บอกว่าสี่อสงไขยเป็นฉไหนก็คือหนึ่งสังวัตกรท์สองสังวัตสังวัตตถายีกับ์สาวิวัตวิวัตตกรทแล้วก็ สวิวัตตถายีกับเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องสังวัตกับเนี่ยนะไอสังวัตกับก็มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือเตโชสังวัตกับอาโปสังวัตกับวาโยสังวัตกับแล้วก็เดนแห่งสังวัตกับก็มี3อย่างก็คือถึงอาพัสระสุภกินหะและเวหพละเวหัพลาเนี่ยนะก็บอกว่าถ้าไฟไม่กลับเนี่ยนะถ้าเมื่อใดที่ไฟไม่กลับเนี่ยจะไหมจนถึงเกือบถึงอาพัสระพรม พัสรพรมเนี่ยพรมอ่ะ น, นะก็แบ่งไล่ขึ้นจากล่างนะบริษัทพรหมปริษัทชาพรหมปโรหิตามหาพรหมาปริตตะอ่ปริตต ะ, ะสุภาอั ป, ปมาณสุภาแล้วก็อภพัสราเนี่ยนะพรมโลกถูกไหม้ไปห้าชั้นเนี่ยนะอันนี้ถ้าไฟไหม้นะถ้าน้ำท่วมน้าท่วมเกือบถึงสุภกินหาพรม ถ้าล ม, ลมพัดเนี่ยโอ้ยลมพัดเนี่ยพัดไม่ถึงเฉพาะชานที่สีพรมชั้นชานที่สี่ส่วนชานนพรมระดับที่ได้ชานหนึ่งสองสามเนี่ยถูกลมพัดหมดอย่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็ไอาการกว้างขวางแห่งความพิรุษก็แสนจะโกธจักรวาลอันนี้เนี่ยแสนโกรธจักรวาล น, นี้ถือว่าเป็นอาาเขตของพระพุทธเจ้าเขามีนะชาติเขตอาาเขตแล้วก็วิสัยเขตเรียกว่าชาติเขตก็หมื่นจักรวาลวันไหว เรียว่า น, นีชาติเขตเนี่ยนะส่วนพุทธเขตอันนี้ตรงนี้ยกว่าเขตของพระพุทธเจ้าก็แสนจักรวาแสนโกดจักรวาส่วนวิสัยเขตหาที่สุดไม่ได้ของเราก็แค่โลกนี้ก็ไปไม่เคยจะสุดเลยนะเพราะะนนั้เกี่ยวกับเรื่องกับนั้นนะสังวัตกับถูกทําลายด้วยไฟน้ําลมก็บอกว่าถ้าถูกทําลายด้วยไฟน้ําลมเนี่ยนะน้อนกว่าจะมีการถูกทําลายด้วยลมครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นอสงไขที่สองเรียกว่า เขามีวิธีคิดว่าตั้งแต่โลกนี่มันว่างๆนะมหาเมฆเต็มจักรวาลแสนโกดตั้งแต่การทําลายไปยังให้กลับที่น่านนี้เรียกว่าสังวัตถายีกลับเขาบอกว่าอะไรนะตั้งแต่โลกมันโล่งๆว่างๆจนอากาศว่างๆจนถึงก่อตัวขึ้นได้นี่เรียกว่าสังวัตถายีกลับการปรากฏแห่งดวงจันรดวงอาทิตตั้งแต่มหาเมฆตั้งขึ้นนี้เป็นอสงไข์กลับที่สามเรียกว่าวิวัตกลับ ส่วนมหาเมฆยังกลับให้พินาฏอีกแต่ความปรากฏแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นี้เป็นอสงไข่กลับที่4ชื่อว่าวิวัตตถายีกลับสงเคราะห์เข้าในกลับเรียกว่าอันตรกับ64อันตรกับชื่อว่าวิวัตตถายีกลับเพราะฉะนั้นถือว่ายาวนานมากแล้วก็ไอซีอสซีอสงไข่กลับนี้เป็น1มหากลับแล้วก็เลขศูนย์ของหนึ่งมหากลับเนี่ยร40ตัวเรียกว่า นึงอสงไขยกับที่จริงท่านก็อยากจะบอกเราว่ามันนานนานๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกสรุปว่ามันนานมากกัแล้วกันนานมันก็เกี่ยวกับเรื่องอสงไขยก็สอสงไขยแสนกับเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องเริ่มตั้งแต่สี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะเมื่อถ้าถอยหลังจากนี้ไปเมื่อเสียอสงไขยแสนกับที่แล้วมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์ตันหังกรมีทังกรสระนังกรทีปังกรเป็นต้นอุบัติเกิดขึ้นในโลกส่วนเรื่องเราเป็นยังไงก็ มันสุกหน้ากันแล้วกัน